สังคาธิเศษสิกขาบทที่หภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าชายผู้นี้จะกำหนัดหรือไม่กำหนัดก็ตามก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่กำหนัดนิมนต์เถิดแม่เจ้าชายผู้นี้จะถวายสิ่งใดจะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตามแก่ท่าน ท่านจงรับประเคณนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้ต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งรับประเคณนตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎสองฉันต้องอาบัตทุนละใจทุกทุกคำกลืน 3. ฉันเสร็จแล้วต้องอาบัดสังคาทิเศษ